มนตั้งใจฟังเหมือนญาติโยมก็ตั้งใจฟังคนตั้งใจฟังนี่มันจับได้ดีถ้าห้อบกตั้งใจฟังจะจับบ่ได้ <c oughs> แล้วก็พยายามฟังอย่านอห่วงหลับง่วงนอนถ้ามันง่วงหลับง่าางวงนอนแล้วก็บรรยายข้อบรรยายข้อม <c oughs> ีนี้ฮามาพูดกันเรื่องปฏิบัติธรรมตอนเสารเนี่ย การปฏิบัติธรรมะนั้นบางคนก็เข้าใจบางคนก็ยังบอกเข้าใจบางคนเฮ็ดเพื่อเอาบุญบางคนบางคนเฮ็ดเพื่อคุมรู้มันนุ่งทีนี้อจิตวิทย า, าให้ฟังมาปฏิบัติธรรมะนี่คือมาปฏิบัติเพื่อให้รู้ตัวเหาสิ่มาแก้ปัญหาตัวเหงาการแก้ปัญหาตัวเหาหนี่ก็คือแก้ บอกให้มันโกดเกิดขึ้นบอให้มันลงเกิดขึ้นถ้ามันมีโกธมีหลงมีโลภเกิดขึ้นแล้วบองเการปฏิบัติธรรมะแบบนี้เนี่ยพ่อปฏิบัติธรรมะแบบนี้นั่นคือให้มันลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปเท่ากับมันมืดขึ้นเป็นว่าสำคัญพระพุทธเจ้าพึนสอน แล้วหาประสบในตรงกันข้ามบ น, นี้ขันทุได้ปฏิบัติธรรมะและ้วโบต้องทำมาหากินเนี่ยโต้องซื้อโบต้องขายโบต้องให้การโบต้องให้งานเนี่ยขันคนหู้ธรรมะนี่ยเข้าใจไปอัางาั่นอันนี้โบเส น, น่ห์นี่พระพุทธเจ้าสอนให้คนทุกคนขยันแข่งทำการทำงา น, ต า, งานตามหน้าทีเฮาเคยว่ากันเนี่ยสันท่า ขมพอใจอย่างนี้วินิเยขมเพียนกิตตะเอาใจใส่วิมังสาดำลิตีทองอาจารย์เพิร์ลวานเป็นภาษาคำพูดที่เป็นธรรมะหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าของนนท์จากที่เป็นไทยว่ากก บ, บุหงาจักแล้วเพราะาพระพุทธเจ้าตายไปนานแล้วสันทะพอใจอย่างว่าขมพอใจเขาไม่ได้ว่าสันทะอะไรขมพอใจ ความพอใจในการในงานของเฮาเฮามีการมีงานเขาต้องพอใจเขาจึงทำํำถ้าเฮาไม่พอใจเฮากะบวชทำเป็นว่าคือพอใจทําคือการงานเฮากะบวชที่ยงพอใจทํามาเจริญสติมาทําความรู้สึกนี้ก็พอใจทํ า, าททความพอใจนี่มันเป็นหน้าที่ที่ทุกคนทําได้คันพอใจทางผิด ม, ททมันก็ทำไปในทางที่ผิดพอใจในธรทุกมันก็ทำไปในทางที่ถูกต้องดังนั้นที่เนี่ยพอนํามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นของทีท่ทีทุกคนทําได้ที่แรกไม่ต้องทําให้รู้จักตัวเหา่าคือวาให้ฟังนั่นเืดองต้นวาให้ฟังหลายเธอแล้วบัด น, นี้ยิ่รู้จักตัวเหาเ่าในหัวมันคิดของเหา่ามันจีงเงา มันไหลไปตามความคิดอันนั้นหลงนะมันไปอยู่กับความคิดมันไปได้อยู่กับความรู้สึกมันมาทํานี้มันอยู่กับความรู้สึกนะให้มันอยู่กับความรู้สึกเขามันเคลื่อนไหวให้เขารู้สึกมันคิดให้เขารู้สึกเอาความรู้สึกแล้วมันทําหน้าที่ของมันเป็นเอื้อนสัญญาเมื่อกับกุญแจอเขาปิดไว ถ้าเอาลูกมันสอดใส่แล้วหลดเบาๆกับไข่ออกมาหลดอันนี้ก็คือการเฮาเหตุจังหวะเดินจงกลมมันรู้สึกมันคิดมันรู้สึกมันที่ไข่ตัวมันเองไข่ออกมากัะเิ้นโทสะโมหะโลภะ น, นี่ก็คอยจางไปหลดอันนี้เนี่เป็นการทําบุญอย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าการทําบุญให้ทานที่เป็นวัตถุนั้น มีน้อยที่สุดบุกุ้มค้าเอาเลยทานร้อยบาททานบาทมืนบาทแสนบาทยี่้มันละขวมโกด ข, ขวมลกข่มหลงีนโบระโรทีะแทะ้ๆบวชมาตั้งแต่น้อยๆจนเท่าจนแก่จนตายแนาเข้าลงนี่ก็ยังบลดโบระมี่องวันนี้ทามาเฮ็ดอันนี้มาทำข่มลูกสึกตัวนี่มันคิดเท่ากับลูกก็เห็น เข้าใจมันสามารถที่จะละได้หรือไม่ว่าการฐานธรรมยอมสนะทานทั้งปวงทานวัตถุนั้นฐานได้สุขุนเจหักโบเลกอันนี้บม่ได้ทานบ่ได้หยิบยกออกให้ผู้ใดแต่่วาเาเห็นเพราะในอื่นฐานธรรมอันทานคํำพูดว่าสุฟันกัมเณเขาเสียสละอันนั้นผู้ใดอย่างทีถูกต้องนี่เถอะไ่หักเสียสละได้ไงครั้นเมื่อเขาเข้าใจแล้ว อย่างมันเป็นมหากาจิถันรูสิบตัวทันทีเฮาคจิป้อยจิวางทันทีเป็นหะไรัอันนี้แหละทางที่ดีที่สุดแล้วก็ยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาซื้อขายปวกผักพวก้ากินได้อยู่คนเขาบอกกินมันก็ต้องจอยต้องหอมต้องตายเป็นอย่างว่าให้ทุกคนทาการทางานตามหน้าที่อันหน้าที่ของเฮานี่ ทุกคนก็จะรู้เกิดมาแล้วมันต้องทํางานเมื่อทางานเม่ได้คนก็ว่าคนเอาเปรียบสังคมเป็นคนเคียดค้านคนว่าคนบวชให้เหตุการณนพระพุทธเจ้าชี้ว่าให้ขยันมันเพี้ยนคนว่าว่าขันติโหรจะคนขอาสร้างว่าขันติก็บอดทนตจอาการเจ้างานเจ้าแดดเจ้าฝนเนี่ยอดทนทําขันโมอดทนตั้งการงานข่าวด้วแดดตก แดดมาฮอนฝนตกมาหนาวการางานกับเแล้วผลว่าจะนี่ว่าอดทนอันนี้คือการตอนเช้าตอนเย็นมือสวยมันฮอนมือสวยมาตอนเช้าสบายตื้นมาก็ต้องลุกล้างหน้าล้างตาเอาแล้วก็แปรงฟันหมดลุกทีแปรงฟันก่อนกระไดให้ใจไหนก็นกนได้แล้วเรื่องเขาเคยให้เคยทำในขณะที่เขาล้างนะหน้าเขาก็รู้สึกตัวเขาเบิ่งลบอันเดียว วอมคิดเหาเบิ้งตุนเบิ้งโตหเหรอวมีิ้มเบิ้งอย่างสีได้เบิ้งมันเคลื่อนมันไหวคุณนี่ให้เหาอรู้สึกตัวตนมันเคลื่อนมันไหวคุณนี้ทําอันนี้แล้วเป็นอ น, นันต์คุณแล้วมาสาฟ้าเนี่ยหามากดสวิตซ์แสบมาเป็สว่างอยู่หลอดคุณขันคนโบสถลาดทิงนาใต้ไฟฟ้ามาจุดไฟฟ้าไปใต้ไฟไปไปจุดไฟไปคนก็เคยจุดไฟฟ้าแบบนี้ที่ไปหมู่อยู่หลอดไฟคุณ งูเหินตายกระโบมีแสงไฟมันเป็นยังไนอันเฮาให้หบุญให้ทานก็คือกันเฮาให้เหินชีตายเพื่ออยากได้บุญบุญนั้นมีอยัางนี้เพื่อชิไปละข่มโกฏินี่เองละข่มโลบนี่เองละข่มหลงนี่เองถ้าหากเขาทำ บ, บุญให้ทานได้อย่างบาุละจำพวกข่มโลภข่มโกฏคข่มหลงสามอย่างนี่กรบุมีประโยชน์มีอย่างเห็เนชีตายกระโบได้ประโยชน์มีอย่งนี้หนึ่งมาให้ฟัง บัานนี้คนสลาดบ้า น, นี้ถึงเวลาตอนเย็นมาผู้น้อยกรสร้างผู้ยังไรตามแต่เปิดไฟไฟฟ้าไปนึก ไ, ไ, ไปไปไฟไปมันจีบวาภาษาบ้านเราเลยว่า ไ, ไฟผู้น้อยมันเคยเห็นก่อแลนเข้าไปไปกดซีฟาปใสมันจีบแสงสว่างอยู่หลอดผุดเมันโ่มโซสว่างอยู่บนสวิตช์เียอันนี้ก็คือกัน พอดีมันโกดมันทําควมรู้สึกตัวมันรู้สึกตัวมันเองเป็นว่าสัญญาเพราะมันมีควมรู้เนี่ยสัญญาเป็นควมรู้จําได้เป็นว่ามันจําได้เพราะตัวมันเองได้ไปทํางานตามหน้าที่ของมันเองเป็นว่าเมื่อตัวมันเองทํางานตามหน้าที่ของมันเองแล้วก็มันกลับเป็นเองอย่างหอนั่งอยู่เดี๋ยวนี้มันแบบนี้โทสะโมหะโลภะนั่นมันบกเกิดอยี้นี่มันยื้อใส่ท้ มันก็ยืนนี้แหละหักบ่ิเ็นมันเพอเราคมรู้สึกมีประเด็นี้ขอบชิดตากระูดทันทีเคลื่อนตัวเหาลูดทันทีมันนี้มันเหตได้อันนั้นเหตบุได้อันนี่เบื้องต้นที่สุดอันนี้ได้กระแสพลังงานอ่ะเนี่ยได้ต้นทางละเพื่องว่าเหตจิตเหตใจห่อแล้วมันคิดเห่อเหตห่อหูมันจีโก้ตแบเนี่ยเขาก็เห็นตาหูอือันนี้ถ้ามันเห็นก่อนเห็นอารมณ์คนได้ก่อนเห็นโทสะ เหตุโมหะเหตุโลภะพุทธก่อนเมืเห็นโทสะเหตุโมหะเหตุโลภะเขาก็หัวจักแล้วบิญเทนาสัญญาสังขารดิ่งยางเขาเห็นเวทนาเพื่อว่าสะเวออารมณ์สเวออนบุตรเขาเนี่ยสัญญาเพื่อกขาว่าจำได้จำอันมันได้จำอันมันโทสะโมหะโลภะนั่นเนี่ยสังขารเนี่บอกให้มันมาปรุงแต่งดิ่งอย่างกระเตววัลุอันนี้เพื่อเอื้นขันตีฮาว่าน่ะ ขันห้าขันขันขันเดียวขันสี่ขันกําลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีเอาวะเอาเอาซื่ออาจิบุโคชักนีดขันห้าคือรูปรูปอันี่นั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเรียกขันห้าขันสี่เป็นเนี่ยกับเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันขันนู้บเนี่ยขันเดียวเนี่ย มันท้องเที่ยวอยู่ในวัตฏะทรงคือตัวสังขารอันฮวาไปตามภาษา้าภาจักคือตัวคิดตัวคิดมันที่เอาพ้นเทียกีเป็นวายังสันในนั้นนี่มองห้จักอันนี้มันกระจิดกระจ่างไปโลุดมันจืดมันจางไปแล้วหากับบทุกนี่เปนวาจังสันขันตัวนั้นมีสินเนี่อันสินขันเนี่ยบวมเสินหาบวมเป็นสินแต๊บวมเสินสิบวมเสินสองร้อยี่สิบเวมเนสินสามรอย สิ่งขันนี้หมายถึงลูกขันก็มีศิลเวทนาขันก็มีศินสัญญาขันก็มีศินสั่งขารขันก็มีศินวิญญาณขันก็มีศินเขาเอื้อสินห้าห้าห้าตัวนี้มีสิลเฉพาะตัวมันสิลนั่นจริงหมายถึงการปกติมันเป็นปกติของมันอย่างซีมันรักษาหน้าที่ของมันเป็น่างซีอันนี้เพื่อเอื้ออารมณ์ของวิปัสสนา ขันท่าห่าเหาปฏิบัติจริงๆมาเจียวหัวจักอย่างซี่ผู้อื่นที่เจียวหัวจักอย่างไหนบุหัวจักะอะไรเนี่ยพอหัวจักอย่างสี่เห็นจยางสี่จริงเขา้าใจอย่างสี่เมื่อเห็นจยงสี่แล้วก็รู้จักกิเลสขา ว, ว่าจะซื้อกิเลสขวบเห็นตัณหาอุปาทานกรรมกิเลสคืออย่งมันเป็นอย่างเหนียวมันติดเสือ้อติดผ้าเาเลยมันซักบื่อออกแล้วเ่อน้ามัน เบนซินหรือน้ามันแก๊สโมนี่ไปใช่แล้วแปลงถูเบาๆก็ออกได้กิเลสปัญหาเอาสียขวบหนักเข้าไปบัณฑิตขอพยายามเท่าเอาเหมือนเราอุปทานนั่นแน่นบนัณฑิตขอพยายามถอนรากถอนคุณออกกรรมเพราะการกระทําเป็นวิบากสวยทุกสวยทุกคนว่าอย่างนั้น <c oughs> เห็นอันนี้แหละเข้าใจอย่างสี่งเละเมื่อเห็นสิ่งนี้ จริงนี่ก็บชื่อจางไปแล้วก็ยังทําการทํางานอยู่เหตให้เหดนาเห ต, เ ห, ตหัวเหตสวนอยู่ซื้อขายได้อยู่คนคันโบเหตให้โบเหตนาโบปลุกผักโบปลุกหญ้าโบซื้อโบขายสิกินอย่งมันก็บ่มีในจริงแล้วบ่มีในจริงคํากว่าคนเกียรขาร้านการงานโบอกอกการโ บ, อกอกบอเอางานคนพวกนั้นก็นถือว่าเอาเปรียบสังคมคนเราของท่น ยงวันหน้าที่ของเขาต้องหุ่นจักอันนี้พุ่นเอื้อนนะขนอันหู่จักหน้าที่ของขนอันแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของขนอันถ้าหากโมหะจังสิเกิดมาเป็นคนก็เป็นแทงขาหน้าตามือเท้าก็เป็นถึงขนแปลว่าไม่ใส่ขนพลวัตใครบอกใส่ขนไม่ยังมันกลายเป็นเทศเป็นผีเม็สัตว์เดรัจฉานไปแล้วมันไม่เป็นขนเนี้ยก็มันก็ทําอย่างเทศอย่างผีอย่างศิษ จัดเอกสารพุ่นสนวุวอันนี้เนี่ยที่เนี่ยพอวา่าเกิดมาเป็นคนให้รู้จักว่าความเป็นคนเลือกคัดจะดะแล้วให้รู้จักว่าหน้าที่ของคนแล้วก็ให้รู้จักว่าปฏิบัติหน้าที่ของคนอันนี้ปฏิบัติมายังซีเมื่อยังซีแล้วก็ซีมแต่ว่าเครื่องกับจักริริย์ยังหนักสมาธิเพิงแต่ว่า เป็นเครื่องกำจัดกิเลสย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดขน่นกิเลสย่างหนาคือหนังกิเลสย่างกลางคือหนังกิเลสย่างละเอียดคือหนังเหาบุหเห็นเหาบุหูกิเลสย่างหนาย่างหนาก็จะเกิดโศสะโมหะโลภะนี่เองกิเลสย่างหนาแล้วก็กิเลสตัณหาอุปทานมนี่เองกิเลสย่างหยาบอยู่ในตะกูลนี้ กิเลสยังกลางมัยังจําพวกกล้ายังยึดดีในอารมณ์ที่ว่าให้ฟังเมื่อวานนี้อารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ทั่วแต่ว่ามันเป็นการงานทางด้านจนนิตใจเองถูกไหมกามาสาวะอาสวะคือกามหนึ่กามาสาวะอาสวะคือคกามบรนี้กามาสะวะอาสวะคือทุกข์กามาสวะอาสาวะคือกิเลสประเด็นเป็นว่า คือทุกกิเลสมันเป็นอันเดียวกันได้มันเวาหลายคนเนี่ยภาวาสาวะภาวาสาวะก็คือกิเลสคือการคือทุกเกิดมาเท่านี่ก็จะเป็นทุกยังสิเกิดมาเทอานั้นก็จะเป็นทุกยังสิหรือมันนึกมันคิดมันก็เป็นพบเป็นศาสมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายมันเป็นทุกมันไม่ได้เห็นเกิดปีนี้เป็นตัวคนเป็นทุกข์ที่ย่างเดียวที่บุญเ่รยินดีในคนสงบมันก็เป็นพบเป็นศาตสมัม อวิสาระเหมือนปีบุลูว ok. ิสาบ์เหมือนกับปบุูอวิสาเปบุรูเหมืนว่าเหมือนขาบัวว่าเหมืนว่าอวิสาระนี่ของบริวามอนอวิสาคือมันบุรูเมันบรูเมนบุเห็นมันบบเคยรู้โบเคยเห็นทำบุญให้ทานรักษาสิทำกรรมฐานก็บบเคยเห็นเงี้ยพอบบเคยรู้จักสิ่งเหล่านี้เมื่อมาเห็นมาโห่สิ่งเหล่านี้โอ้อันททตธรรมข่มสงบเงียบ พอใจในกามเพราะอารมณ์นี่ยินดีต่อขมสงบ น, นวันในบนวันกามมาสาวะอะมิสาสาวะบนวันอย่างนั้นพอหย่อนตกอยู่ใ น, พน่พบน่อยคบณหนอ่อันนี้นี่เองคันขันเนี่ยตกในพบอันนี้แต่ว่าตัวจิตตัวใจมันตกอยู่ในอย่างนั้นแต่ว่าให้หูหจักเขาเห็น ห, หูให้าเขาบ่เห็นเขาบ่ฮู้แล้วเขาก็ะระจายปากซื้อเข้าใจไัม เมื่อเห็นดัสแล้วก็หูจกักรถคันนี่มันทองเที่ยวมันอยู่ไหนพบน่อยพบใหญ่คือดีบ้างตัวบ้างทำดีด้วยกายทำดีด้วยวาจาเนี่ยทำดีด้วยใจสามอย่างบันนี้ทำดีด้วยกายทำดีด้วยวาจาทำดีด้วยใจพร้อมกันทั้งสามอย่างนี่เป็นอันเดียวของที่เห็นได้หูได้ถ้าหากสวรรค์มีนรกมีของจิตเป็นอย่างไรจิตจะเคยอยู่สวรรค์สันใด ไปตกนรกขุนได้จริงบันนี้ทําซั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสามอย่างเนี่ยทำทีละสิ้นะสิ้นบันนี้ทําซัวด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพร้อมกันบาดเดียวเป็นสี่อย่างเท่ากันเ่าจิตไปตกนรกยื่จากมือจากวันจากปีจากเดือนถ้าหากเขาบ่ได้ตกนรกเ่าจิตไปยืดสวัสด์จากปีจากเดือนห่อจิตเดียวหัจากเองโลกนี้ใครซ่มาบอกมาสอนเราเองอันนี้ว่า สันทิติโกอันผู้รูจะฝนกเห็นเองแต่พวกที่บรู น, นบุหุนแต่ว่าหักหุ้นวันได้มันมันบุหุ้อารมณ์มันจะบุไปอย่างสี้มันจะไปติดประคุมสงบพุนรูดเมือนเดียวขาดพุดออกไปรูดอืเป็นอยงันเมื่อขาดออ ก, กไปแล้วห่างเลยบุหุจอารมณ์อันนี้เมื่อบุหุจอารมณ์อันนี้ก็สับสนวุ่นวายนี่เป็นว่าจากว่าสิ่งใจริงอยูย่ใส่บุหุจอย่าพอเปแน้วสับ ผู้อื่นจะไปสแสดงบุญหัวจักอย่าง่าเขามาฝึกอารมณ์มาอบรมจิตใจไม่ได้อบรมมันอกจิตใจมาฝึกคนรู้สึกตัว น, นี่แหละพอดีถึงที่สุดมันคลายคล า, ายสุดเพลิตัดน้า ก, กระจกชี้ซี่ซื่อชิดไปแค้ไปโบขาดกระจกกันแต่ว่ามันเป็นของอไปพอจับอาไปที่มันแตกตรงเปี้ยไม่มีวี่แววสิเลยขจะตัดหน้า ก, กระจกเบื่อไหม ตัดหน้าแก้วอันนี้ก็คือกันย่อยลาวจีบวมีเพร่ะจังว่าให้รู้จักจริงๆอันนี้ทุกคนต้องเป็นมันสัตวในท้ได้อันนี้มันจะเข้าไปถึงสัจจะคือความจริงเพื่อเอ้อสัจจะธรรมเมื่อเข้ า, ามานี่ทุกคนต้องเห็นสภาพภาวะของจิตใจมันตายตเาารือตัวหอการหุ่นจักว่ามันตายมันตายคือมันเข้าสู่สภาพของมัน เลียกมันตายมันจืดมันหดคล้ายๆคือเอาเนื้อเนื้อสดๆเขานี่ไปใส่เกลือโบไปใส่น้ากดไปใส่อย่างไรมันจืดมันหดเข้ามันตายนี่เพื่นว่าเนื้อมันที่โบโป่งออกมาเพื่อนว่าอย่างสั้นแต่หาบูฮู้จักจีว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดผมครั้งเดียวผมพระพุทธเจ้าที่บเยาวสิงจากเธอจัมันทึกให้ว่ายืนทึกน้อง บ้านเขาจีนตะวันออว่าเอาหน้านอกไปยิงตัวเลีงตัวสัตว์เพึ้งแล้มันหดเข้ามันตายเลยมื่อเป็นวายเจ้าหาต้องทํำลงเบือง้าหาเวโบทํำลงเบืองมาจบีบูฮู้เมื่อบูฮู้แล้วก็จีว้าไปจับต้นคนตายบุไดอันนี้เป็นจุดสําคัญที่เขาทุกคนมาปฏิบัตินี่นี่เราเห็นจุดนี้แหละเขาจีรู้จักสภาพคําว่าตายในหมายถึงอันนี้แล้วจะรู้จักวิธีตายจริงๆแต่ทุกคนหนี่บางคน คนตายเนี่ยเกิดยี่รู้จักสิ่งเหล่านี้หนึ่งบ่รู้จักสิ่งเหล่านี้เน่ะอีกซึงเป็นปัญหาหนึ่งถ้าหาเขาบ่เห็นบ่หูสิ่งเหล่านี้ก็แสดงว่าเรายัางบ่ทังเข้าใจในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะให้ทานรักษาสิตดูงานัันก็นย่างบ่หังเข้าใจที่สิ่งเหล่านี้เมื่อหูจ้จักเห็นหูสัมผัสได้ยุ่มันเป็นเองควรมเป็นเองนั่นแหละเพนว่ามันเป็นเอง ความเป็นเองเน่ยมันเป็นอยู่แล้วแต่หากว่ายังบม่ได้ทำหน้าที่ของมันโตสัญญาตัวนี้มันบม่ได้ทําหน้าที่ของมันเขาว่าสัญญาความหมายรู้จําได้มันวาสื่อๆเนยคันมันทําหน้าที่ของมันแล้วมันหัวจักวิธีเอาลูกคนแกซอดเซนแม่มันดิดไปเบื้งนั้นเบื้งนี้มันจู้หัจักเพราะมันตัวมันหูวจักเองเนี้ยอันนี้แหละคนว่าให้หัวหูวจัก ย่าไปคิดว่าอาการเกิดดับอย่างนั้นอย่างนี้นอันนั้นก็นดีแล้วห่าวาห่าวิทย์มอขึ้นเป็นเกิดเป็นดับเ่าวิทตาเป็นเกิดเป็นดับห่าวายใจเข้าใจออกเป็นเกิดเป็นดับคุณคิดมันนึกมันคิดเป็นเกิดเป็นดับอันนี้เกิดดับอยู่สัน้นเปือ้อนเปื่อยอันการเกิดดับตัวนี้เหมือนกับนำกดเทใส่ผ้าห่อนำกดมันจะละลายออกไปแล้วก็พากับเปื่อยไปเมื มันเป็นอะไรสมุดเนื้อ เ, เชื่อเนื้อสดๆนี่ออกมาเอาไปใส่น้ำเกลือพอดีที่น้ำเกลือแล้วเนื้อมันจะหดไปมากมันเป็นอาะไรคือกันมันเป็นเพียงสมุติไว้จุดนี้แหละจุดสําคัญที่สุดที่เขามาเฮ็ดเนี่ยมันเนื้อข่มโกตรข่มโลบขมลงอันนี้อันข่มโลกข่มโกตรข่มลงนเป็นเรื่องหนึง่งถ้าหาเข้ามาปฏิบัติไม่เนี่ยมุ่งจับอันนี่เขาเฮ็ดแต่อย่า ง, า อ, ง, อ, งอื่นผู้ อันนี้เพื่นว่าให้รู้จักเห็นแจ้งรู้จริงแต่รู้จักเห็นแจ้งรู้จริงแล้วก็จะได้ทำหน้าที่อยู่เลยหน้าที่ของเฮามันต้องได้ทำในบุตรธรรมบุญใดขันบ่ตรธรเพื่นจีว่าคนเอาเปรียบสังคมนี่เพื่นว่าอันเรื่องบวชมีพระพุทธเจ้าเพื่อนกับมันเห็นเขาบวชหมากคนแล้วแต่นักบวชที่บุตรธหน้าที่กระจีมีหรือผู้ทําหน้าที่กระจีมีผู้ดีมีว่ากเลยวันได ผู้ัวน่ะมีน้อยนักบวชไปพยาบาล น, น, นักบวชมีโอ้บวชได้ทำนาทําสวนบวได้คิดซื้อคิดขายเม้่เข้าโรงพยาบาลเขายังลดครึ่งให้เป็นรัฐบาลของโรงพยาบาลรัฐบาลบางทีเขาซื้อบเอาน้ำซึม น, นะะคันบ่ชเม่นโพงพยาบาลเอกชนนะ่ะคันเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เขา เ, ขาเอาเงินแล้วเพราะเขาคิดค่าขายเนะี่ยมันเด็ น, นยังไงเรื่องว่า เมื่อโบดมาแล้วสิกะบบศึกษาบบแล่าเรียนโบปฏิบัติตามหน้าที่กะสแสดงว่าผิดหน้าที่ของเขาอย่าสมน่นนะแป่พูสงบเนี่ยสงบคนสงบนั่นจริงมีอยู่สองอย่างสงบแบบบบลูอันนึงสงบแบบลูอันนึงพญนตสงบในทํำสงบออกจากทํำดูในด้ำมันมืดตือด้อยู่ภาในจิตใจโหู ว่าได้หักบุหูใจมั่เป็นได้ใจมันบุห็นใจมันเห็นใจมันเป็นใจมันรู้จึงวะเนี่ยพอจิงว่าเสื่อมั่นมาไทยเสวะจะในกระทําร้างเนี่ยพอเสื่ออันนี้ทําบุญทํำทุกในก็ะทำไปมันมุนในอันนี้มันไม่เป็นอันนี้พี่วันนี้เราทาบุญกระทำสร้างมันในอันนี้มันเป็นอันนี้มันจึงเป็นการทําบุญอย่างสูงสุดเขาเคยได้ยินพระพุทธเจ้าบอกว่าใบไม่ไหนป้า กับใบไม้แห้งในกำมือของพระพุทธเจ้านั้นเอาไปเทียบกันแล้วอันใดจะมากแสีน้อยกว่ากันทิกสู่จํานวนเป็นร้อยๆพันๆในตามพระพุทธเจ้าบอกว่าใบไม้ในป่านั้นมีหลายเกมาเปรียบเทียบใบไม้ในกำมือในโบได้พระพุทธเจ้าเคยเคบอกว่าใบไม้ในป่ามีมากมีหลายกว่าจริงเกี่ามาเป็นยานนั้เฉพาะเฉพาะนิดเดียวเท่านั้นเองป็นอย่างว่า เราจะนํามาสอนพวกเธอนูนก็เท่กับใบไม้กับมือเดียวนี้ควรมุ้งที่เราลู่มานั้นมือกับใบไม้ในป่าอันเขาทําบุญให้ทานรักษาศีลกับมือกับใบไม้ในป่าเต้ามันจะบุเป็นยารักษาโรคให้เขาหายได้ยาอันนี้รักษาโรคอันนี้หายได้โดยที่ว่าที่บกับคืนเนี่ยได้กลายเป็นมะเร็งก็ต้องตัดเนื้อมะเร็งออกแล้วก็สายแสงให้ยา ที่เข้าไปให้เมือนั้นตายป้งขึ้นมาใหม่เพลนวายอย่างนั้นดังนั้นพวกเฮามา <c oughs> ปฏิบัติธรรมนี่ต้องเข้าใจยาเกียร์คารยาพูดยาคุยพย า, ยามให้เฮาถึงที่สุดของทุกแล้วญาติเป็นคนประมาทขันประมาทแล้วโบได้ผลเนี่ ย, อยพอไว้ฝังซื่อเนี่ยเน้อกินให้ใจในกระโบเป็นเนี่อันนี้คันท้าโบเป็นถึงข่าวมันเมือนกับเอาไม่เข้าหรือ ผลไม้ทุกอย่างไปปลูกไว้แล้วหอบนาบนแล้ววันไหนน้ำสิแตกออกมานอนเหาบว่ต้องไปขัดต้องไปเชี่ยมันเพียงแต่เอารักษาอย่าให้หมุดไปขัดเนื้อเอาน้าไปรลดมันถึงเวลามันออกเองอันทีเราเห็นนี้ก็คือการโบถึงเวลามันโบโบเปลนต้องทําจริงทําจังเพผนวาย่างนานจิตปีจิตเดือนนะท่น บ่ได้เป็นพระอาหารหันต์นั่นก็ต้องเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีก็ต้องรู้จักอันนี้พระอาหารหันต์นั้นทํางานไปแล้วเรียบร้อยแล้วผิดหว่าอย่าง น, นั้นดังนั้นเฮามาเฮตนี้บบถึงสามปีคิดเอาเองได้เนี่ยว่าบบถึงสามปีอย่างนานที่สุดลองใหดด้มันติดต่อกับจริงๆไปใสมาใสไปให้ไปสวนคิดซื้อคิดขายรู้จักมันนึกมันคิดทิ้งทันทีเลย ขยับเขาขยับเขาอันนี้ผมไม่เอาเงินไปซื้อเลยผมไม่เห็นนี้อันนี้ขวมเป็นเอมันจะได้ทําหน้าที่ของมันถ้ามันทําหน้าที่ของมันแล้วอย่างถูกต้องแล้วนั่นเนี่ยคือข่มพนไปจากข่มทุกคือพ้นไปจากกิเลอย่างางาพ้นไปจากจิเลอย่างกลางพ้นไปจากกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดนี่นคืออันนี้นี่แหละโตที่อย่างราวานี่แหละเขาจะรู้จกักกิเลสอย่างละเอียดตัวนี้ พอตัดขาดเมื่อไดอ๋อสิ่งเหล่านี้มันถึงกิเลสเขาจะไดือดจัดกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างมาประมวลลงจุดนี้ถ้าหากมาทางจุดนี้แล้วก็เสร็จมืดมือกับหัวอยู่ที่มือพอดีกดไฟทึ้มพุ่มืดมันหายไปเองมันหายไปเองมันย้านมันลึาจากจีว่ายังไงเมื่อกดไฟออกมาแล้วสว่างออกไปแล้วก็มองเห็นทะลุกไปมืดเมื่อหายอยู่ใหนทำอยู่ที่มือท่าน โบกิดเอามาันติแจ้งอย่างสิเพราะางงาเขาอยู่ในธรรมเลยบัดนี้เขาออกจากธรรมในในโบตัยใส่ก็ได้บัด น, นี้จี้อาศัยเนี้จำหลับจำลาอยู่หัน้นฮั้นไปอาศัยจำหลับจำลาอยู่ฮั้นก็ย็ดมั่นคือมอั่นเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เนี่ยม่เป็อันนี้เขาสว่างแล้วเขาจีโบโธ่สงสัยทางไปหาพระพุทธเจ้าเขาจีเห็นโลก็ดียดเห็นอันนี้แหละจึงว่าโอ้จิตใจคนนี่เหมันสะอาดมันสว่างมันสงบมันบริสุทธ มันพองใสมันว่องไว้ตัดซึมโป้งลงไปเพราะว่าิถึงที่สุดแล้วหยาญย่อมมีเนี่ยพระพุทธเจ้าว่ามันว่องไว้มันสามารถที่จะรู้ได้เหตุดได้ถึงที่สุดแล้วหยาญย่อมมีถึงที่สุดแล้วตงจงรู้จักเห็นว่ามันเป็นจังซีมันเป็นจังซีทำจังซีมันจึงเป็นจังซีเนี่ยพอไหวฟัง พ, พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนมีปัญญาทำอย่างทุกสิ่งทุกอย่าง โบเดือดร้อนแต่ท่นานทำด้วยปัญญาขณะใกล้ๆพระพุทธเจ้านี่ยทำลายคนให้คนเป็นคนหมดไปให้เหลื อ, อยุติควรเป็นพระขณะว่าห้าคนนี่จะห้าคนเป็นคนหมดไปให้เหลื อ, อยุติควรเป็นพระคนไว้บนเรื่องพระอันยังที่หาเว้านี่เนียอันนั้นได้เป็นพระจิงว่าสีาริของพระจรึงลาบเลิ่อนบ่มีขึ้นบ่มีลงบ่มีสูบบ่มีต่ำ บ่มีน้อยบ่มีง่ายบ่มีขาวบ่มีดำเฉพาะเท่านั้นเองมีเฉพาะเท่านั้นเป็นอะไรบ่เมนว่าที่มาเจริญนี่ศาสนานแล้วไปซื้อเลสบ่ ม, มีอ่างนี่ยผิดเลยผิดเป้าหมายอันนี้ปฏิบัติอันนี้บอกเอานะเห็นว่ามาเจริญนี่ศานานี้แล้วที่บนให้ให้บุญเห็นหาน้าก็ผิดเป้าหมายอันนี้อีกแล้วมันผิดยังไงที่มาให้หู จ, จักถ้าบุหูจักแล้วาสิตก็เขินสงสัย ทำการทำงานบริสุทธิ์ังงั้นพอ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ยต้องทําการทํางานเมื่อเขาทําการทํางานตามหน้าที่ของเขาแล้วเขาก็จีนีจีนีใส่ไต่ใส่มาใส่กระสะดวกสบายปถ้าหากเขาบ่รู้จักการไ่รู้จักงานบ่ทําการบ่ทํางานกะบ่จีนบ่บินใส้ไต่ใส่มาใส่กระเดือดร้อนควรเดือดร้อนนี่เป็นบกเลิศของพกุก ขวบบวเดือดร้อนน่ะเป็นบกเกลของขวบบมีทุกให้เขาเข้าใจอย่างนั้นการเป็นนี่คนจึงเป็นคนทุกมากเป็นนี่เงินเป็นนี่ข้าวเป็นนี้ประแดกเกลือเนี่ยให้ว่าอันนี้เป็นโลกิยะทุกเนื้อเป็นนรกทุกพอใจดันนี้ควบบเป็นนี้คนนี่เขื่อเป็นโลกุตระสุขเป็นสุขอย่างสมบูรณ์เป็นว่าอย่างนั้นเพราะบุรีคิดใส่นี้ใส่สิทธนี้และกระบดต้องศึกษาเนี่ยให้มากเพราะนีกจักแล้วเป็นอย่างนั้น อันนี้เรียนพระไตปิฎกอย่างลัดลัดมือนึ่ที่ไว้ายฟังนี่แหละมือเรียนจบแล้วพระไตปิฎกเรต้องสงสัยมีคนคนนึ่งไปถามอย่างคอเป็นแพทเรียนพระไตปิฎกยืมมาแล้วเจ็ดปีแล้วแค่สงสัยพระไตปิฎกอยู่พระไตรปิฎกครั้งสามปิฎกกำังไปที่ไปเรียนจบอยูไ่ไหนเรียนรัดัดมากระจกสนุว์พระไตรปิฎกก็คือรูปหานีน่นแล้วจนโตหานี่เป็นปิฎกนึง ทำดีพูดดีคิดดีเนี่ยทําซัวพูดซัวคิดซัวเนี่ยถ้าใจปิดกดกอย่นี้ถ้าใจปิดดกนึ่งบ่นเนี่ยปิดดกคิดสองคำพูดอย่างเนี่ยพราะว่าเนี่ยมันมาจากใจมาจากการเห็นแจ้งพองก็ได้จะฟังให้มันดีถ้าหักนบหอบตั้งใจฟังกับโบได้ประโยชน์เท่าที่ควรหอบโนบบ่นเนี่ยหอบตั้งใจฟังเพื่อจดจํา นำเอาไปปฏิบัติมันก็ได้ประโยชน์ตัวประโยชน์การฟังเทศคือหัวจันได้ผลเนี่ยตัวหัวจ oh, ันได้เผนบอกแล้วเอาเอาไปปฏิบัติหรือตัวประโยชน์ของมันอย่างที่เพิ่นวาอย่าเที่ยกลางคืนนะเนี่ยเขาฟังแล้วโอ้เพิ่นบอกว่าบอกให้เที่งกลางคืนเด้นเขาก็บอกไปเที่งกลางคืนอย่าเล่นการพนันนะเนี่ยเขาฟังจำได้เพิ่นบอกบอกให้ไปเล่นการพนันเลยเขาก็บอเล่นแบบนี้ไ่เป็น อยากเกียกล้างการงานนะเนีย่ยเป็นว่าเขาก็ต้องเป็นคนขยันเหมือ น, นยอย่าคบคนพาลนนะั่นคือคนตัวนะมันอย่าคบคนซั่วคนพาล น, นะเนี่ยเขาก็บอคบคนซุ่วคนพาลนะอย่าไปดูเขาเล่นการพานันนะเขาก็บอไปดูไม่มีเท่านั้นที่สืนเพียงเขาจําได้อั น, นแต่ว่าพูดได้ไม่ทําไม่มีประโยชน์เลยพูดร้อยคําแสนคํำมื่นคําล้านคําก็ตาม สู้การกระทําเพื่อเดียวบุได้เป็นว่ากันพอแม่เขาสอนแต่ว่าการสังดีแล้วการให้ทานดีแล้วไม่นี่ก็ต้องซีโทษอีกตืเพราะวะอาจจะได้ ม, มาไว้สั่งเพื่อเดียวนี่ก็ได้มืกอื่นก็ที่เดินทางที่เรกเพราะว่าที่ยุ่งกันนะต้องขนาบซีโทษอีกการฟังเทศฟังธรรมก็ดีการไปตักบาตรจังหันเพนก็ดีเพื่อหยั่ง เพื่อให้เหาลดละจากขวมโวเล่นการพนันเพื่อมาเป็นของโบดีโบสถจรลินเบี้ยลิ้นไันยอันเดียวเด็กซื้อเลขกันมาเล่นการพนันนี่เอาใกล้คนใกล้ปากกเล่นการพนันนี้เนี่ยโบมร์ธรรมะเนี่อพอเหงคัวสมกันก็จะลงแข้งลงขากันมานี่ยพอเป็นตัวใดจิตชนะตัวจิตแพ้กันประยุ่ธเสียงขานเะนี่ยเมื่อไรจิแพ้จิตชนะลงขาพดันเล่นการพนันบุคูลจากกันเพอโบ ม, มีคนเมาให้ขนาดนี้ แบบนี้ว่าว่าการแกล้งสีเน่ะโบดีอันนี้มันเป็นทางที่นำขุมโซ้แล้อนําคนกินหายมาให้เลาอันนี้เนี่ยอันนี้จะเข้าใจกันดีแบบนี้เขาเฮ็ดบุญเหมือนนี่ให้บุญให้บาปก็ได้ได้แบ่ใครไ่เป็นบุญมันบูธึกเรื่องกับเป็นบาปแล้วให้บุญอันนี้เป็นบาปเป็นมุขจังให้ให้บุญเพาว่าบุญมันดีคันกินเล้าได้ดีบ่กโบดีนะป่ะเนี้ยแบนี้ให้บุญแล้วไปเอาเล้ามากินเถอะเนี่ย กินเล้ากันเถอะเนี่ยบ่ดีแล้วเนี่ยเรืการพานันกันเถอะเนี่ยบ่แม่เหตุบุญเหตดบาปได้หมนกั น, เ, นเอาขี้เป็ดปลาังขี้ไก่อันรี้ยเต้าห่วงมาที่ไปหาน้ําเย็นเกื่ไปกินน้ํากดอนนันเป็นอย่างไรที่ว่าให้ฟังนี่ยอย่าให้ยังกันถ้าเหตุยังไงมันผิดคําสอนของพระพุทธเจ้าทำเจส้สอนให้เหาเลิกลาจากสิ่งเหล่านี้แหละเข้าวัดฟังธรรมทุกมือทุกวันก็ตาม ไปตักบาทจังหันเทียนทุ่มมือก็าตามหากบ่เลิอกละอันนี้กะประโยชน์น้อยที่สุดแทกจะไม่มีเลยหรือบางทีว่าโดยตรงม้วนมีแล้วมันจิงได้บาปทําให้มนุษย์บาปก็เป็นว่าให้บุีในนี้คุณว่าอย่างนั้นเนกลับเนื้อกับตัวกับจิตกับใจตั้งต้นซีดไม่การเดินทางกันไม่อยจะไปเดินทางเส้นเก่าจา็คือเก่าหาันละแต่เพียงคำํำพูดอันเนี้ยเดินทางเส้นไม่อย่งไรเราคือให้บุญ เฮ็ดบุญล้วต้องเก็บดุกเราเนี่ยผิดแน่หนึ่งก็นด็อันนี้เอาขี้เป็ดไปล้างที้ไก่อีกตื้นนี้กันเด็กมันเข้ากระทงเดียวกันนี่ทำอิดว่าเจ้าของเฮ็ดบุญอย่างนี้เดือดริ้นภัยอยู่แบบนี้อย่างกินเหล้าเมาสุรากันอยู่แล้วแล้เพื่อเอาเก็บดุกเหล้าไปตึ้นสองสามเนี่ยเอาขี้เป็ดล้างแล้วพอโบแล้วเอาขีไก่ไปล้างอีกตื้นตัวโบตัวมันจะไม่ขี้หมูขี้หมาไปล้างตื้นแนนแบบนี้มันจีเป็นทางัารจังว่าให้เข้าใจเรื่องเฮ็ดบุญ ทาเฮ็ดโบทุกบุญ ม, มันเป็นบาปบาปคือคมุมซัวโบปเม็นอื่นไก่อะขุมชั่วนั่นแหละคือมาบาปบุญคื อ, อยังบุญละคือมันสบายใจเมื่อนีเนี่ยเขาจะวาให้ฝังนอนอยูขข่ขาจะบิบแขงให้ให้เขาจะบิบแขงให้ไผ่พุชจับได้แล้วสำนักล้วไผ่ไปนะบ้านห่อเฮ็ดบุญคุณโมีเงินมาอนลีไถ่าขาเจ้าเงินจิซตรเข้าจินกระถางยากอยู่แล้ว กิซื้อซื้อเออซื้อเสื้อซื้อผ้ออออามืนนุ่งกันย่างยากอยู่แล้วแม้กิซื้อน้ำปลามากินกันย่างยากอยู่แล้วยังไปลีดไทยขาเจรเอาไปให้ค้ามอลำเนยบาปได้จรเด็กนี่พหละคนทำเหล่าใดเบียดเบียนตนเองและคนอื่นนี่เปนไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติเขาให้บุญหมดนั่นนี่บ่แม่ผิดแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาเสื้อข่มพอ่อข่มแม่ ข่มปู้ค่มยาข่ตาคนมใหญ่เสือผู้นำมาจ่กนั่นนีผู้นำมาจากนั่นลงก็มีเด็ผิดก็มีเด็โตมักยังได้จีเฮ็ดไปตามอารมณ์โบแมนนี้เจ้าว่าคนว่าการเป็นผู้นำหาคนดีคนบูดีจะเอามาน้ำแต่กับบัาบัวห้าบัวจำนนเอาย่าไปเสือง่ายๆเพิ่นให้พิจารณาคนจีเสือให้มีเหตุมีผลถ้าหากบุเสือโดยเหตุโดยคนโบแมนนเพิ่นว่าเาทวะ สันทะความพอใจอย่างนี้พอใจในทางที่ดีด้วยในทางที่ซั่วคันพอใจในทางที่ดีก็ดีพอใจในทางที่ซัวกับซัวด้วยเงินเท่เาไรเขาจว่าหกสิบาทว่าไปให้ค่าหมอลำเขาเอาก็นเินละร้อยโบได้โบเมื่อมีได้ไปยืมผู้อื่นมาให้อะนี่ดี บ, บออ๊อบหมดใจหมดนั่นแหละพินาศจิบหายเอาขี้เป็ดไปล้างขี้ไก่ จ, จ, จะบอกจอเอกขี้หมูไปซ้ำขี้หมาไปซ้าไปล้างอันกระเพิ่มเขา้าเพิ่มเขา้า มันยิ่งเหมนเมนแล้วน้อยอย่างบรพอใส่สองเมนเข้าไปใส่สามเมนเข้าไปใส่สี่เมนเข้าไปเร่เนี่ยคนนั้นเหม็นคนน้นว่าเจ้าของซองการนําเย็นหน้า ม, มันมีสองเกาะพอได้ไปเ ป, เปิดเรื่องว่าไม่นน้ําเย็นมือเกิดไปใครนากดเอาน้ํากดมาเกินก็กัดทองกัดไส้เข้าไปเนี่ยมันเป็นดาดเป็นแท้มันนําเย็นน้ํากดนี่ถ้ากินเข้าไปมันทําให้ เขาตายเงี้ก็มีเสื้อฝึกเสื่อถุงผ้าเสื้อผ้าเปื้อนก็มีนี่เพิ่นวายจังงั้นอันนี้เพิ่นว่าทำดีไว้ให้ลูกทำทุกข์ไว้ให้หลานมือนอันนี้ทำผิดไว้ให้ลูกนี่ทำบนไม่ให้หลานอันนั้นเพิ่นวายจังงั้นให้หูจักว่าทำดีไว้ให้ลูกทำทุกข์ไว้ให้หลานทำยังไดมันดีทำยังไดมันทุกข์ให้หูจักแต่เพิ่วานี่ก็คือกันานละเจ้ก่อนก็ได้บุหูจักเออเคยเฮ็ดยู่นละ ทำบุญแล้วก็เก็บบุกเล่าเอาไม้ค้อนตะเคาะปอกปอแป๊กแป๊กนี่ให้กันร้อนอ่ะมันผิดแต่ว่าเพราะบูจักเมื่ออายุสี่สิบหกปีมานี่ค่อยบูักแล้วค่อยบริสุทธิ์แต่เจ้าบมิุ่จธิเห็นค่อกระบอกฮะแต่เขาบอกบริสุทธิน้าเมริบริบุญบ้านบุญเฮือนค่อยๆกับบริสจีบมากบุญบุหรีเื็นเงินใจแต่ค่อยๆนึกว่าจีบมากบุญบุรีให้เจ้าหัวไอ้จัวให้ผู้เท้าผู้แก่ไปฟังเทศฟังธรรมในว่าได้บุญบุญแม่นริ เขาว่าซื้อได้ว่ากิเลสให้ลักกิเลสของหุ่จักกิเลสบอโบหุ่นจักรหุจกัจกกิเลสว่าไม่ยังงงย้งกิเลสเขาน่ามีเงินหลายๆเป็นกิเลสนี่ขเขาใจพีดคนมีเข้าหลายๆเป็นกิเลสตรงนี้นมีเสื้อมีผ้าหลายมป็กิเลสโบแมนอั น, นจะเขาใจพิดมันจีมีกิเลสยังไดงอยากได้คุณหาเอาสนุกเขาได้ยินบอนางสุสดาฮึแม่ละนางสุสดาแล้ว เนี่ยนะเมียคนนันทกุามารนะรในประเทศอินเดียคนได้ดวงตาเหตุธรรมเป็นพระโสดาบันนันทกุามารเป็นผัวนางสุสดาเนี่ยนางสุสดาว่าคือว่านางสุสดาเลยแม่บอกจำได้จากคนคบ้างเป็นเนียแม่บอก เฮ็ดบุญเท่าใดคันคาดนางสุสดาแล้ว <c oughs> นา ง, ง <c oughs> เนี่นางวิศกห์นางนางยังนางวิศกห์เลยนางวิสกห์มันมันลงแล้วเมื่อกี้นางสุสลายผิเดเลยนางวิสกาหานะ์น่ะนางวิสาขากับพระเจ้ิผพิสารคาดซองคนเนี่ย บ, บ่เป็นบุญนะจ๊ะ น, นี่ยมีพระส่งจักรร้อยองค์ก็ บ, บ, บ่เป็นบ่มีบ่เป็นสิริมงคลนะจ๊ะ เป็นอปะโมงคลนะเขาจะบอดีใจในนางนางวิสาขาเนาะนางวิสาขาเป็นอุบาสิกาเป็นผู้หญิงมีลูกสาวหนึ่งสาวหนึ่งกับยี่สิบคนกับสองสิบคำเดียวกันเนี่สองสิบสาวหนึ่งยี่สิบคำเดียวกันมีลูกหนึงสาวคนยี่สิบคนพี่ยังเป็นพระได้อยู่อืานท้ทกุมารเนกะวัฒนากุ ม, มารไ ม, ม่ใช่นทกุมารวัฒนากุ ม, มารเนี่ การเป็นผัวเขจว่าสุขในโลกีเนี่ยับสุกโลโ ก, กตะละวะแต่มันถ้าหากทำบุญฆาตพญานินพิสารกับนางวิสาขาเนี่ยนะเนี่นเหมนอน น, นนี่ยในโมเป็นบุญนะท่นเป็นอัปะโมกุลวะแต่เนี่ยเพราะอย่างพนว่าให้หดเวนเล่าหนึ่งการพนันนึงเพิ่อให้หมดเวนถ้านบุญหมดเวนในสิ่งเหล่านี้บ่ได้แล้วก็มีข้อห้ามบ้างท่านนะ มีแม่ที่บ่มีจังใดเออะที่นาเห็นน่ะบ่ให้รักของผู้อื่นเห็นเป็นวานเหนกามเมยไม่ประพฤติผิดในกรรมโมษาไม่ให้โกหกกันสุราบ่ให้ดื่มน้าเมาเนี่ยอ้าวบ่ได้ว่าให้หมุขเจ้าฝังซื้อหักกันเก่งผัวเมียกันอ้ายน้องกันให้ได้ไปพ่อกับลูกเอ่อพ่อลูกแม่สามคนหักกันใส้หนึ่งกระเป๋าเดียวกัน พอดีเข้าไปในวงการพนันตั๊กเอาเปรียบกันเลยพ่อก็ต้องเอาเปรียบเมยมก็ต้องเอาเปรียบลูกลูกก็ต้องเอาเปรียบพ่อเปียบเมเน่ไว้ใจกับพระพุทธเจ้าจีวะห้ามการพนันทุกประเภททุกประเทศได้บุษจิตสโพเดลินเบียรลินไพรได้อยี่ยเพราะว่านี่แม้ดูแค่งมาแค่งเลดมัดไผว่าเป็นการพนันมัดเพิ่นให้หมดเวรอันนี้เพราะว่าเพิ่นห้ามแล้วเพิ่นห้ามแล้ว เรื่องเล่าบประเด็นเพื่อการวัตถุสุลานี่เพื่อว่าห้ามแล้วเนี่ยเ <Yeah. S 1> ขาว่าเป็นบุญบ่โมจะไปรับสินเป็นสินบอ่อขันวานสิอ้อยเทศมาแต่พอแต่แม่มาลบล้างขนทมทำเนียมมาจะดีบ่เอามันบุดีก็ล้างก็จะเป็นอย่างขนทมทำเนียมของพ่อแม่ปุยา่าตาโทษตะมันบุดีก็คุณเปลี่ยนแปลงศรีวราวัดพัฒนาอันเนี่ยอันนี้แหละเพื่อเอื้พัฒนาขันพัฒนาไปในาทางผิดบ่พัฒนาเขาไปล่นเบี้ยล่นไผ่บ่ พัฒนาหอบไปขี้ลักขโมยบ่เอาพัฒน า, าไปกินเหล้ากินยาบ่เอานี่พัฒนานี้พัฒนาได้เจ้าจีามาักอย่างใดพัฒนาให้เป็นคนขยันมั่นเพียร น, นี่เอาอันนี้พัฒนาให้คนรู้จักดีรู้จักชั่วเอาพัฒนาบ่นเนี่ยโง่ให้มันนี่ไปให้มันสลาดเอาพัฒนาข่มซั่วให้มันนี่ไปเอาข่มที่เข้ามาเอาพัฒนาทุก ให้มันหีไปให้บุรุทพุทธเขามาเอาอันนี้ทางสารพระพุทธเจ้าสอนใช่ว่าพระพุทธสอนของจริงบุมุษยี่สอนเพื่อโง่เพื่อเงาีหยังหนึ่งสอนคนโง่ให้เป็นคนสลาดพระพุทธเจ้าบม่ได้เป็นสอนพระอรหันต์เดชมีบ๊พระพุทธเจ้าสอนพระอรหันต์โดยมีเดชสอนพุทธชนนี่แหละให้เป็นอเดียบุคคลว่าสอนคนโง่ให้เป็นคนสลาดเป็นว่าแล้วคนมีสีมีทรรพระพุทธเจ้าสอนบ่กสอนสอนหนักสอนหนาทะเนั้น สอนคนกําลังทําซัวพูดซัวคิดซัวให้เขาเลิกลาจากการทําซัวการพูดซัวการคิดซัวมาทําคุณดีความงามพูดดีคิดดีนี้เพื่อนวาจังสันเพอนสอนอย่างสี่สอนให้คนกําลังมีทุกข์มีความเดือดร้อนอยู่นั้นให้จังสันมันทุกข์ให้จังซี่มันทุกข์แก้ทุกข์ให้เขาอ น, นันต์ภาบุตรสอนหนักส่งหนัสอนจนหมดลมหายใจ เน่พระพุทธเจ้าสอนแค่ฮามานี่ก็คือกันบัววานยนั้นอยาพอไว้ฟังซื้อๆดิบัวไม่ห้ามเดยหาว่าห้ามบัวให้กินให้ทานมันฟังทิศหนึ่งเข้าใจทิศบัวให้กินให้ทานกับเมรุให้กินให้ทานกับเมรวุว่าจะในเมรนพอเป็นเรื่องสมมุติที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าทานเสื้อทานผ้าทานเงินทานทองให้ว่าอมิษฐาบูษานี่แหละทานตั้งแต่พื้นดินไปซอสอร์นิธาผมพุ้นพระพุทธเจ้าก่อนอย่างบัได้ซื้อว่าทาน บัได้ซืเอว่าเข้าใกล้พระพุทธเจ้าบัว ไ, ได้ซืเอว่าภู้สาพระพุทธเจ้าผนว่าการทานธรรมยอมศรัทธาทั้งปวงการทานธรรมเป็นการทานอย่างสูงสุดในพุทธศาสนานี้ผนว่าทานอันใดได้ท่านหนึ่งทานข่มด่าเขาเขาเรียกว่าโศสะอืทานข่มโลภเรียกว่าลกของเขาอยากได้ของผู้อื่นโดยไม่ใช่เหตุผลผลว่า ทานควมหลงมันหลงเพีทานหมึดซะนอกจะให้ทานควมยึดมัน่นถือมั่นกูเป็นพ่อมึงกูเป็นแม่มึงกูเป็นปู่มึงกูเป็นย่ามึงสู้กว่าเกือเมื่อวานนี้อย่ามาสอนกูบปแม่เที้ทานให้เขาเลยลูกสอนพ่อก็มีพ่อสอนลูกก็มีปู่สอนหลานก็มีหลานสอนปู่ก็มีฟังฟังแล้วมันมีเหตุมีผลต้องเอาไปปฏิบัติเพื่อวัาจัางสั้น ทำให้พุทธศาสนาเจริญบัด น, นี้เขาทำบุญให้ทานเนี่ยพาะประเทศบริลลัมเขาจะให้กระทินสุดที่นางวัจเมทานัางอาสาวคยวหังโหตุข้าพเจ้ายินดีในทานการถวายของข้าพเจ้านี้จงถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสมากองกิเลสเครื่องดองสันดาลท่านกล่าวว่าพระนิพพานในอนาค ต, ตการเบื้องหน้านนเทินสาทุสเจวะ คนอย่างน้อยต้องสามสี่รอยคนแบบ น, นี้เนี่พกอกระทญาติโยมมาที่นี่อยากได้สวรรค์ใช่ไหมครับอยากได้มีพานใช่ไหมครับอาภัยต้องการตายเดือนนี้เนี่ยมิจฉาเป็นเสียงเดียวกันมัดอีกตืมเนี่ยในตัวคนบางคนเข้าใจเพดแล้วถ้าอยากได้สวรรค์มีพานนี่วะอยากได้มีเป็นเสียงเดียวกันมัดอยากได้สวรรค์เีฮียบตายเดือนนี้ก็ได้มีพานเดือนนี้ตีอนาคตแต่ว่าจังไรวะมิจฉ จัดอีกตึมบเอาอีกตึมเนี่มันเข้าใจเพดเขาก็เข้าใจผิดกินเลือดจังหดนยังสันสวัสด์ในพานจังหันจังสันอันเนี่ยพูดว่าขันยักษ์นายสวัสด์ในพานตัวเมื่อตายแล้วมือจ่อตักบานมืออื่นเท้าหิ้วตายรถบืเป็นอย่างจังน้อยไปสังหันแล้วห้าบซาจังหันขึ้นไปฮอดขุมมาอาจารย์โยคะทศตายรถได้สวัสด์ทันทีรถมันเข้าใจผิดสวรรค์คือขวมโบทหุกตาเบิ้งอันดีหูฟังอันนวนดังดมอันหอม จินอันแสบนุ่งเสื้อนุ่งผ้านิมโน้น น, นี่เป็นเอื้นสวรรค์สวรรค์จึงอยู่ในอกนรกจรึงอยู่ในใจขันมันทุกเป่นเอื้นนรกวิพพานอยู่ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินมูเจ้านั่งอยู่นี่เป็นยัะที่ใจปกติแมนีนบอกปกติอันนี้พนว่าเสยเสยปกติกะเมนเีนอุเปกขากะเมียนนี่เป็นอุเปกขาพนวางเสยฟังอย่าพอว่าวซื้อๆนี่อันนี้แหละพนวัตนิพพาน พระพุทธเจ้าอยู่ใส่ี่เห็นบอกพระพุทธเจ้าในอินเดียพุ่นนะ่ะบางคนบ็ได้ไปสนล่ไปอินเดียว่ามียังเต็มเมืองเลยก็บรรเดกหอดบางคนที่ไปอินเดียได้จังไหนไปอินเดียมันทั้งหมดจได้ขึ้นรถยนต์เนี่หรือบางที่จีนมีกร บ, บุหัวจักรเนี่ยพอกบุหัวจักเนี่ยทีเย่เป็นรถไฟก้อาจจะมีอินเดียยายน้นไม่มีสำหรับรถไฟก็ได้เดี๋ยวนี้อาจจะมีก็ได้พวกะขัจัดรทัวร์แต่โดยมากขับไปเครื่องบินเนี่ย บางคนค่นว่าเห็นศาสนาบินพุนซ้ำเทนี้ยเมื่อกี้หูจักเครื่องบินไปยังไดไปซื้อตัวเครื่องบินโดยวิธีใดจีบหูจักซ้ํามันจีบไปเห็นพระพุทธเจ้าอยู่พุนบัวขันอยากเห็นพระพุทธเจ้าให้เบิ่งโตเฮานี้นังนนั้นศาสนาจึงแปลว่าคําสร้างสอนของทานผู้รู้ว่าฉันโตศาสนานั่นคือโตคนโตพุทธศาสนานั่นคือโตชีวิตจิตใจเป็นไงอันโตพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นเฮาอยากเห็นกับเบิ่งนั้นนึ่งจิตใจสะอาด สองจิตใจสว่างสามจิตใจสงบสี่จิตใจบริสุทธิ์ห้าจิตใจผ่องใสหกจิตใจว่องไวตัดสินว่าอันนี้แหละนิพพานปับดด๊บลดอันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าปับดดด๊บลดไปเป็นว่าเพราะจิตใจผ่องใสมู่เจ้านังอยู่นี่นี่แหละจิตใจสงบแล้วนี่ น, น, นี่มีแล้วเม mm hmm. ื่อใดที่เห็นพระพุทธเจ้าอันนี้แล้วการเห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นแสมเห็นสีเห็นพระพุทธรูปเห็นดงแก้ว น, นั่นใจห่อลอกเ่าได้นั่น พ่นมาจิตใจคนนี้วอกแวกก็กลับได้ไวบุตรมีลานไขในตนเราท่านควรบังคับคนให้จิตยนต์หมุนมาแในทางข้างดีถ้าปล่อยให้จิตใจหมุนไปในทางข้างกีดทาที่มีก็าจะหนีจากนายหายสูนอะทาเข้ารอบงำคมละยันสมบูร์กปี้นปอกหลอกต้นเนี่ย มันเป็นอังสันนะเจ้าวะทำความรู้สึกตัวอนรู้สึกตัวนั่เป็นยังยกจีวาสติก็ได้เจียวว่าวิญญาณรู้ก็ได้เอาเจ้จีวะเนี่เป็นเรื่องสมมุรณ์วาบ้านหอแต่รู้สึกตัวนทีแทนรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจรู้ตนรู้ตัวเพอเนี่มึงจะลืมตัวเด้อเนี่ยคนว่าเดี๋ยวนี้เขาลืมตัวบอลืมตัวได้เอาสวรสด์ตัวหลังกายตายแล้วการตายแล้ววะผิดด้วนมัน เม่เฮ็ดอาหารมื้อนี้นี่ยปรุงไว้จากสามเื้อวิ่งอย่าไปกินกระมูกแล้วนะยแล้วเฮ็ดซานนี่สานน่าอย่างทกินเนมันมีที่ใหในโลกนี้เอาโบเสื้อไปเฮ็ดลองมกระได้นี่นะอย่าพอบอกความจริงขันบอกความจริงโอ้ยพิดแล้วโบไม่คำซอนของพระเจ้าเสีเนี่เาพระเจ้าสอนอย่างไรพระเจ้าตายไปแล้วสี่ร้อยห้าสิบปีพุ่งนะอย่างได้สังขารยายนครั้งที่ห้าเทียนอยวได้เขียนไว้เอ้าบัดนี้ถามเบุญนี่เนี่ยถามผู้ใดเนาะที่มีอายุ โม่หมดเอ้าเี้ยมอันยดจากปีแล้วห้สิปีห้าสิบสองอามากโปรดนเอ้าอันนีอ้อันยจากปี่สี่สิบมย า, ายมากเอ้าคุณอันนี้อันยจากปีสี่ครับฮ<ะ>้ยยี่สิบสี่ยอ๋อจัดไปเล้อายุยิบสี่ปีน ะ, ะ<อ>พ่อเธ อ, อ ย, ย, ยังไหมยังครับแม่ยังไหม อ, มอพ่อแม่สอนคาแรกที่สุดจันได้ไหมฮิทยังอยู่ เนี่ยอายุยี่สิกปีปจะจำบอดอันนั้นสี่ร้อยห้าสปีจากโซคขณอายุแปดสิปีนะอายุแปดสปีตายนะให้วันได้ไปยมนุษย450์ี่รอห้าสิปีแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สี่แปดสี่สามสองแปดห้าสี่สิบเนี่ยห้าโซคุแล้วบันไดต้องแต่พอแม่ออยังอยู่ยังจำบอดได้นี่นะมั น, นีม่คิดไปจำได้ยังไหนยังสั้นแต่อยากไปทำลายเอาไว้หั่นแหละเพื่นว่าอยากไปยึดไปถือ ไปยืดไปถือในทางที่ผิดเบืองกทิดคันผู้งหู้มาสอนอ้อยแล้วกันเนี่แล้วกันใจอ่อนน้อยเข้าไปเลยว่าจิตใจหดหู่จิตใจสมองจิตใจอ่อนแอจิตใจเงื่งาจิตใจเลวไหลจิตใจอ่อนเพียโอ้ยจิววิสัยกว่าเรื่ของเรื่องสมมุติจิตใจบกเข้มแข็งถ้าห้าอมีคนมาว่าจิตใจที่นี่ฝังคนนำย่อจะได้แปลกแปกหูได้ตาเนี่ยว่าไม่จริงบอกหนูพิจารณาเบื้องบนเนีย คำว่าสวรรค์อยู่ในทันปานนี่พ่อแม่กูตายไปแล้วเมื่อเห็นเคียนหนังสือมหากรุเพิ่งก็ได้เคยเฮ็ดบุญเฮ็ดทานอยู่นี่ไม่พ่ออีเมเนสั่งกูบ้นอ๋อก็คิดทันทันคนมีปัญญาอันนี้ขันบอกแล้วมลบล้างประเทศนี้มาเอาอีกฟิลลาพ่อแม่ตายบะเนี่ยแต่พอเขาให้พ่อให้แม่กินเนี่นึกคิดพิดเนี่ยพ่อได้เฮ็ดมาแล้วเรืองบุญพ่อจะโง่เด้อเมื่อมีคนมาว่าให้ฟังเนี่ยอยู่ที่มืดมันก็ต้องมืด อยู่แตคนอยู่ในถ้ำคันมีผู้มาหมา้ฝั่งต้องเปิดมุงออกมาอย่าอยู่ในมุงเปิดออกมาเปิดประตูออกมาอย่าสุกปิดตัวไว้คันปิดตัวไวบัได้เห็นเพลนเน้คันอยู่ในมุงบัได้ออกมาเห็นเพลนไน่อยู่ในมุงที่เห็นหลังคามุงบ่วรูปทรงของมุงคนยังไดนเห็นบ่วจอยบัเห็นแล้วเนี่ยเพลนว่าอย่างสั้นแต่มุงนั้นมันดีอยู่แล้วกันเฮีงกันยุงได้เพลนเลยแต่กันเหงือบัได้กันมุดบัได้มันเข้าไปอยู่ในถ้ำนันเป็นยังไงซะ มันมืดคันผู้ใดามากหลับตากลับไปอยู่ดีแล้วแต่ว่าได้ประโยชน์จากไหนคันย่างไปบุกทึกเลือกกระตุกเหี่ยวตายทรัพย์ผลว่าจังทันคันมีคนมาเราต้องฝังพ่อแม่เหาเจ็บไครได้ป่วยนี่นะยังสมมุติเอาเอ า, เอาอยั ญ, ญพลอเนี่ก็ได้ป่วยไม่แล้วไปใส่มาใส่ลูกยากนางยากไปเลยลูกเต้าลูกหลานเอาเข้าอ่อนอาหารดี ทำฮอนฮอนกระโบ้อนหลายแล้วพอดีจริงเข้าวสะพอเนี่ยแม่ก็จริงเข้าวเสมน่โอ้ยแม่กินบมได้แม่บสบายเอาไว้ให้ลลูกอ้ยเนี่ยแค่มากบมไอแมดุดยาบพอเออเน่ยวะเจือมให้แม่ลองโมจากน้อยก็เหนื่อยคนวานขันสะอกับเออมวลไม้พอบจากน้อยด้วยสุกเข้าไปเป็นยันได้พอแม่เออสี่มีแฮจากน้อยตายสัมเขาจริงนนะมันยังโมตายอังคำมากของยานั้น บ่บ่มีเรียงสี่แถาได้ยาพอหัวจักเลิกแต่มื่อนั้นเจนเท่าเมื่อ น, นี้ยาพอเบาหวาหา จ, าหจาหห่าฮอดจ่าฮอดอะไรยาคนเอินกิเลสกิเล ส, เลสพันหา้าตันหาลอยแปดเห็นไหมเกิดขึ้นอยู่ใสเกิดมึงอดีตสองเกิดในอนาคตสามเกิดกับปัจจุบันหูวจักอดีตบ่หู้จักอนาคตบ่หัวจักปัจจุบันบ่หูวจกัก เป็นยังไดอดีตก็เมื่อวานนี้แล้วปัจิุบานได้อนาคตเด้กับมื่ออื่นคนและปัจจุบันนี้เรากำลังนั่งอยู่นี่เดี๋ยนี้แม่อายุอยนันบัคเกเร่คือขึ้นอย่างโบเห็นเป็นอย่างขาว่าเอินคนตายเฟืองคนเป็นอัมาพาตตายครึ่งหนึ่งแล้วคันตายเข้าไปหนักหนักเข้าไปตายมัดซิบิตรึเปลาเดียวเพิรนว่าจยางที่เราฟังธรรมะที่มันบูมู้จกักคนตาเดียวเขาเอินตาบอดคนหูเดียวเขาเอิญหูงอแต่ตาสองต า, งตาหูสองหูก็เป็นอัมพาตแล้วมันตายเฟืองเลยเพิรนว่า อย่าเป็นนังสั้นเขาฟังให้มันมีสติปัญญาเป็นวลาอย่ า, างสั้นพว่ากิเลสพันห้านั้นหนึ่งเกิดขึ้นในอดีตพันห้าเห้าร้อยเกิดขึ้นอนาคตห้าร้อยเกิดขึ้นกับปัจจุบันมันอยากให้จะทำเดี๋ยวนี้เนี่ยห้ า, าร้อยกิเลสพันห้าสามห้าสิบห้าโบมีนสามห้าสิบสองเนี้ยสามห้าสิบสองโบมีนเนี้ สามห้าเที่ยวพันห้ากิเลสพันห้าเกิดขึ้นที่ตรงนี้บ่ไม่เกิดขึ้นที่ซื่ออื่นสื่ยอยู่บ่ไม่มากเกิดตอนแต่พอแต่แน่พ่อแม่สร้างไว้กรรมเก้ากรรมไม้นะ่ะมันมันเข้าใจผิดก็ดีอยู่แล้วอั น, น, นมันหลอกไว้คือพันวาจ้านอยู่พิบาแลแ้ยินซื้อจ้านอยู่พิบาลซื้อเขาเบียกไปมอแล้วเนี่ยมันยานคดียุ่งอันให้เข้าใจว่าไทบ่มาซอยเหาได้ซอยได้แต่เขาเฮ็ดดีกับเฮ็ดซัวเท่านั้น ปัญหาลอยแปดจะยังไงเกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นในอนาคตเกิดขึ้นกับปัจจุบันอดีตเกิดขึ้นตัวใดอดีตเกิดขึ้นสามสิบหกเมื่อวานนี้เกิดสามสิบหกอย่างเมื่ออื่นนี้เกิดสามสิบหกอย่างเกิดในเดี๋ยวนี้เขาบุจักซึ่งสามสามเก้าอนีสามสิบหกสามหกสิบแปดสามสามเก้าเก้าสิบ สามหกสิบแปดเอาสิบนั้นมาแต่อันนี้เป็นลอยนึ่าเป็นแปะเป็นอะไรเป็นว่ากิเลตพันห้ากันหาลอยแปะเปนว่าดูนี้บบไม่ไปศึกษาบนอื่นดอกคันว่าอยากได้บุญนั้นให้หมเจ้าทําความรู้สึกตัวนี้บุญมากที่สุดคือขมรู้สึกตัวบาปมากที่สุดคือโบรู้สึกตัวโบรู้สึกในอดีตโบรู้สึกในอนาคตโบรู้สึกในปัจจุบันนี่เองถ้าเรารู้สึก ปัจจุบันนี่แล้วหัว ม, มืด น, นก็จะค่อยหายไปหายไปหัวโบลุก็จะค่อยหายไปหายไปเมืที่คมรู้จะมากขึ้นมากขึ้นมาขึ้ น, นต่อมาตเกิดญาณปัญญาข่วมหูแจ้งเห็นจริงเพทุนว่าเห็นบอลได้เห็นตานี่มีสองตาแท้แท้ได้นี่หูนี่มีสองหูแท้แท้ได้ดังนี่มีสองดังแท้แท้ได้มีสองหูมันไม่มีสองดังหนะมันยินดีมันมีสองหูอ๋อ หูคอนี่มีซองหูเด้เยา ก, กิ่นข้าวเข้าไปคืินเหมือนกันถ้าบ่ามีซองหูแล้วเกินลงไปสิมันอัดลงไปมันเข้ามันอัดลงไปอาหารอัดลงไปหูนี่ไหลงออกมาคืนลงม่ดอยู่ในมาเชื่อตัวนี้เข้าไปลงมุจออกมาทางนี้คืนนั้นนี่เป็นมีดออกมาทางนี้สิหูคอของนี้เป็ น, นอย่างไรอย่าความหูจักแค่เป็นแพทย์ในโบแม้เนีย่ยพอไปปฏิบัติอย่าความหูจักนยท่านเห็นหูคอตัวเองแต่บเคยหูจักจากเธอมันเป็นปัญหาเห็นเป็นว่าเอิญว่าปัญญาเห็นรูแจ้งเห็นจริงเป็นว่า วิปัฒนาเจียมป็นการรู้แจ้งเห็นจริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเพื่อว่าจังสันลวงภาวะเดิมอย่างใดสัญญาพอนึ่งเนี่ยพอบทสูบบุรีไปข่อนิยมติดบุรีบทสูบเลิกหมแค่มากปัญญาพ่อกระบอกเอาไปด่าคนญาพ่อก็ะบอยังได้ขันด่าคนได้ยังได่าศาสนาด่าพระพุทธเจ้าดังนั้นอย่าไปเหตุจังสันเป็นักของคนไปรักอย่างเป็นหลักของพระพุทธเจ้าไป็หลักของศาสนามันบาก มันบาปบาปด้วยสายบาปเพราคิดซัวทําซัวพูดชัวเพืนว่าอันนี้แหละให้เขา้าใจคิดซึ้งกับบาปนะอย่าว่าบบาปนะบาปบนไดมันเบียดเบียนตนเองเพื่อนว่าทำเราใดเป็นไปเพร่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมนั้นไม่เป็นวินยัยนั้นไม่เป็นคําสอนของพระตราคตไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติน้อยกว่าสัง่งใหญ่กว่าตาม ผู้เท่าผู้แก่ขอสัง่งเจ้วหัวจุกตานจำให้มันดีทำเราใดเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินยัยนั่นแหละเป็นคําสอนของพระตถาคตควรศึกษาควรปฏิบัติให้ดูแจ้งเห็นจริงนี่เพื่นว่าเขาบไม่เบียดเบียนตนเองเห็นใจมันบูคิดอยากไปฆ่าผู้หันมันบูคิดอยากไปลักของผู้หันมันบูคิดอยากให้ว่ามันคิดบูดีนั่นแนหะเลิกเลิก เลิกตั้งแต่เมื่อนี้เลิกวินาทีนี้เลิกเดือนนี้นี่ละฟังอยู่นโอ้จับไว้นี่ยเพื่อนฟังเทศฟังธรรมจดจำเอาไว้อันนี้สรงการฟังเทวาสุสังลพเตปัญญาเพื่นว่าจะแม่งจแม่งเขาบู๊บบู๊จักอันนี้ก็ได้เพื่นว่าทังนั้นฟังด้วยดียอมได้ปัญญาเนี่ยฟังด้วดีฟังเนี่ยฟังแล้จับนำไปปฏิบัติเพื่อนจะได้ปัญญาแบบนี้คันฟังบูดีปอย่าเออคอนโตกหัวมันหน้าบูแม่นใจแทะดวงตาเดี๋อามากสูดยิ่งหน้ามากกว่าหน้นี่ฟังบูดีอันนั้น ดังนั้นคนฟังเทศเนี่ยเป็นว่าแบ่งไว้สามจำพวกจําให้มันดีมูอเจ้าอ่ะนักยีลามันต้องเป็นอย่างนี้อย่าพอจริงบอเคยงอบอกเคยวิตกกังวลกับไคทั้งนัดหนึ่งผู้ฟังสอบสนับสนุนเนทุกใจที่จะอยากให้พูดอยกให้ว่าเนี่ยผู้บอสอบใจต่อต้านขัดข้ามเนี่ยเป็นวันอีกพวกหนึ่งเด้แต่พวกนี้เออมักกัฟังผมมักกัฟังซะนะฟังแล้วก็เล้วไปทั้นั้นนะเนี่ยเป็นว่าจังจะสามจาพวกนี่เป็นอย่งไรบ้านี้ จำพวกหนึ่งบ่พอใจเขาขัดขวางที่เฮจันนังกระิดเฮจันได้กระพิดเนี่เพันวา่ามันโมดีสั่งแล้วเสือโลกกะบบได้ฝั่งเรือโบเสื้อกรบโบได้เนีย่ยพันวาจะเฮจันได้ยินเคยได้ยินบ่ฝั่งเสือโล่องคคุลีมานฝั่งคูบาอาจารย์บอว่าเอา้ายังจะคาถาโซนนั้นโซนนี้จิตสอนให้เธอคนอื่นบ่นได้สอนแม่ท่านนี่เป็นลูกศิษย์ดีที่ดียวไปฆ่าคนเต้าคนเอาด้วยมือมาให้แล้วผ่านคนเราจิตสอนมูลห า, ายตัวไห้ ดำดีเดือยองคุณิมารเป็นคนมีศรัทธาจริงแรงตักฆ่าคนไปเลยนี่สั่งเสื้อลดอันโบดีอั น, อนบ้านนี้ไปเจอพระพุทธเจ้าเข้าพระพุทธเจ้ากันเลยองคคุณิมานรนะสิไปวิ่งทาไม่เลยเอา้าวิ่งไปทําไม่เลยโอ้แม่เหรอองค์ณุณีมารก็เลยถามเราหยุดแล้วยุดทําไมพระพุทธเจ้าตัวสิแต่เมื่อน่าคนคิดตัวสิโบมินตัวเราหยุดแล้วสิ หยุดทำไมแรงไปหันยากไปกทังจิตวิทยาสิบอกแม่เราหยุดข่มซัวหยุดการทำซัวหยุดการพูดซัวหยุดการ